เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11อมกราคมพุทธศักราช 2,552 เป็นวันที่ทางวัดญาณสังวรารามได้จัดกระทาพิธีถวายสังฆทาน เพื่อแผ่นดินไทยทางวัดจะจัดงานนี้ทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนม ก, กราคมปีนี้อาทิตย์ที่สองของเดือนม ก, กราคมก็ตรงกับวันนี้คือวันที่สิบเอ็ดม ก, กราคมนี้และจะจัดงานถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่13เมษายนวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยรอมการถวายสังฆทานนี้เป็นบุญเป็นกุศลมากกว่าการถวายปาฏิบุคคลิกทานคือทานที่เจาะจงให้กับผู้หนึ่งผู้ใด สังกฐานนี้เป็นทานที่ไม่เจาะจงให้กับบุคคลแต่เจาะจงให้กับองค์กรส่วนรวมเช่นสงคำว่าสังกฐานก็มาจากคำว่าทานที่ถวายให้แก่สงสงในที่นี้หมายถึงพระภิกษุที่อยู่ในอาวาสอยู่ในวัด ไม่ได้ให้เป็นของพระรูปหนึ่งรูปใดไม่ได้ให้เป็นของเจ้าอาวาสไม่ได้หเป็นของผู้ช่วยเจ้าอาวาสแต่ให้เป็นสมบัติของพระสงฆ์พระภิกษุทุกๆรูปที่อยู่จำปัญษาได้มีโอกาสแบ่งกันใช้ถ้าให้เป็นของบุคคลไปบุคคล น, นั้นก็มีสิทธิที่จะ ให้ผู้อื่นก็ได้ไม่ให้ผู้อื่นก็ได้ถ้าเป็นคนใจกว้างใจบุญก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นคนใจแคบก็จะเป็นปัญหาได้เพราะจะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในระหว่างาพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันพระที่ได้รับของมากแต่ใจแคบก็จะเก็บเอาไว้ ผู้อื่นที่ไม่ได้รับของก็จะลำบากขาดแคลนพระพุทธเจ้าทรงเห็นความสำคัญของการดำรงอยู่ของสงฆ์เพราะสงฆ์จะเป็นผู้ที่จะสืบทอดพระศาสนาแทนพระพุทธองค์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธ์ท้าามนิ้ผานไปแล้วจึงทรง ไม่โปรดที่จะให้ศรัทธาญาติโยมถวายของจำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่ปรารถนาที่จะให้ถวายเป็นของสงฆ์เป็นของส่วนกลางเช่นวัดวาอารามนี้สาราหลังนี้เจดีย์โบสถ์กตุติวิหารต่างๆล้วนเป็นสังฆทานทั้งสิ้น เวลาญาติโยมสร้างปฏิเสธสร้างโบสถเสร็จสร้างศาลาเสร็จก็จะกล่าวคําถวายให้เป็นสังคทานให้เป็นของสงฆ์ไม่ได้ให้เป็นของเจ้าอาวาสหรือของพระรูปหนึ่งรูปใดให้เป็นสมบัติของพระศาสนานั่นเองมีความเป็นมา ในเรื่องของการถาวายสังฆทานนี้อยู่ในพระไตรปิฎกที่ปรากฏแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัสรุภพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความก็ไปทราบถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสุทโทธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดา ก็ทรงมีความปรารถนาจะให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดที่พระราชวังจึงได้ทรงสั่งให้บริาวารไปนิมนต์มาพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงในวังพระมหาประชาบดีโกตมีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้า มีความปรารถนาที่จะถวายจีวรให้แก่พระพุทธเจ้าทรงตัดเย็บด้วยพระองค์เองและเมื่อมีโอกาสได้เข้าเฝ้าก็นำเอาผ้าจีวรไปถวายให้แด่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับเอาไว้ถึงครั้งที่สามที่ถวายก็ไม่ทรงรับเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ทรงตัดไว้ว่า ให้ถวายแก่สงฆ์เถิดให้ถวายเป็นสังฆทานเพราะจะทำให้ศาสนามีอายุยืนยาวนานได้ถึงห้าพันปีนี่คือความเป็นมาของเรื่องของเหตุที่พระพุทธองค์ปรารถนาให้ญาติโยมทำบุญถวายสังฆทานมากกว่าที่จะถวายปาติบุคคลิกทาน คือถวายเจาะจงให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดแต่ก็ไม่ทรงห้ามโดยทีเดียวเพราะอาจจะมีความจำเป็นของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันบางครั้งบางเวลาอาจจะต้องมีการถวายเฉพาะแก่บุคคลก็สามารถทำได้แต่ควรอยู่ในกรอบของเหตุของผลของความพอดี ควรจะถวายให้เป็นสังฆทานไปถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลอันใดเพื่อประโยชน์สุขของพระภิกษุทุกลูกที่อยู่ในอาวาสอันเดียวกันนี่คือความแตกต่างระหว่างทานสองชนิดคือสังฆทานกับปาติบุคคลิกทานสังฆทานนี้ถวายให้เป็นส่วนรวม ส่วนปาฏิบุคลิกฐานี้ถวายให้เป็นส่วนตัวผลก็คือจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าพระศาสนานี้จะเจริญก้าวหน้าได้จะต้องมีสงฆ์เป็นผู้สืบทอดเช่นเวลาจะบวชพระก็จะต้องมีพระภิกษุอย่างน้อยสิบรูปด้วยกัน ถึงจะสามารถทําพิธีบวชพระได้ยกเว้นในกรณีที่อยู่ในที่กันดารห่างไกลหาพระไม่ได้ครบสิบรูปก็ส่งอนุโรมให้หาเพียงห้ารูปก็ได้แต่ถ้าอยู่ในเขตที่มีพระภิกษุจํานวนมากจําต้องมีพระภิกษุสิบรูปขึ้นไปทําพิธีอุปสมบท และถ้าเราไม่ถวายให้เป็นสังฆทานถวายแต่พระที่เราชอบหรือคิดว่าท่านมีมีคุณธรรมสูงพระองค์เออเราไม่ถวายท่านก็อาจจะเดือดร้อนได้อาจจะขาดแคลนปัจจัยสี่ทำให้การ อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความยากลำบากก็อาจจะมีความท้อแท้ไม่อยากที่จะบวชอยู่ต่อไปก็อาจจะสิขาลาเพศไปก็ได้และพระที่เราถวายข้าวของต่างๆไว้มากมายท่านก็ไม่มีอายุยาวนานสักวันหนึ่งท่านก็ต้องตายจากไป เมื่อตายจากไปแล้วก็อาจจะไม่มีพระองค์อื่นมาทําหน้าที่แทนต่อได้เพราะพระที่องค์อื่นก็ลาสิกขากันไปเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลจากญาติโยนเท่าที่ควรนั่นเองนี่คือความเป็นมาของเรื่องของสังฆทานและเมื่อได้รับสังฆทานแล้วก็จะต้องมีการทําพิธีอุปโลกสังฆทาน ดังที่ได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้เป็นการประกาศให้พระสงฆ์พระภิกษุที่อยู่ในอววาสได้ทราบว่าได้มีทานที่ถวายเป็นสามคทานเกิดขึ้นแล้วขอให้พระภิกษุทั้งหลายอนุโมทนาและอนุญาตให้เอา ของสัมต่างเหล่านี้มาแบ่งปันแจกจ่ายกันได้โดยให้พระที่มีอาวุโสทางด้านพันษาเป็นผู้พิจารณาตามลำดับลงมาจนถึงสัมเนรูปสุดท้ายและถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ให้แบ่งปันให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่มา ช่วยงานของวัดหรือมาปฏิบัติธรรมในวัดต่อไปถ้ามีการอุปโภคแล้วสิ่งของเหล่านี้เอาไปก็จะไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดแต่ถ้ายังไม่ได้มีการอุปโภคแล้วผู้หนึ่งผู้ใดเอาไปใช้ก่อนแบ่งเอาไปใช้เอาไปรับประทานก่อนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะ ก็จะเป็นบาเป็นกรรมเพราะสงฆ์ยังไม่ได้อุปโภกยังไม่ได้อนุญาตให้เอาไปแจกจ่ายต่อกันละกันนี่คือเรื่องของสังฆทานที่ญาติโยมมักจะยินดีชอบถวายกันแต่มักจะเข้าใจผิดกันว่าสังฆทานหมายถึงสิ่งที่เขาจัด รวมไว้ในกระแป๋งสีเหลืองๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใส่ของหลากหลายมีผ้าบ้างมียาบ้างมีอาหารแห้งบ้างแล้วก็มีของใช้ไม้สอยเล็กๆน้อยๆผสมกันเข้ามาแล้วก็นำเอามาถวายให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด โดยคิดว่าเป็นการถวายสังฆทานแต่ความจริงไม่ได้เป็นการถวายสังฆทานเพราะเราถวายให้แก่พระรูปนั้นซึ่งเป็นการถวายเจาะจงแก่บุคคลเรียกว่าเป็นปาติบุคคลิขทานอย่างนี้ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นสังฆทานถ้าเป็นสังฆทานจะต้องมีพระอย่างน้อยสี่รูปขึ้นไป และถวายให้แก่พระทั้งสี่รูปนั้นให้เอาไปแบ่งกันใช้ถึงจะเรียกว่าสามคานาอย่างในวันนี้ตอนเช้าที่ญาติโยมนำเอาสิ่งของต่างๆมาถวายแด่พระที่นั่งอยู่ในสารานี้สิ่งของที่ได้รับนี้ก็เอาไปแบ่งกันไม่ได้เก็บไว้เป็นสมบัติของผู้รับเพียงผู้เดียวและมีการอุป อุปโลง ก, กันอย่างเรียบร้อยตามหลักพระวินัยแล้วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสังกท า, านของที่จะถวายสังกัานนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจัดใส่เป็นชุดใส่มาในกระป๋งแต่อย่างใดเราควรไปซื้อของเราเองจะดีกว่าไปเลือกซื้อของที่ใหม่ของสดของที่มีคุณภาพดีกว่าซื้อของที่เขาจัดใส่ในกระป๋ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าของที่ไม่มีคุณภาพและบางทีก็เป็นของที่ไม่จำเป็นควรที่เราไปซื้อของเราเองในร้านของของใช้ที่จำเป็นที่ใช้อยู่เป็นประจำเ <c oughs> ช่นสบูยาซิฟันแปรงซิฟันของเครื่องดื่มต่างๆมาใส่ถุงมาถวายก็ได้ไม่จำเป็นจะ ต, ต้องใส่กระปง๋ง กระป๋องก็มีล้นวัดเต็มวัดจนกลายเป็นขยะไปกล่องสบู่ก็มีเต็มวัดล้นวัดไปไม่มีความจาเป็นที่จะต้องถวายของเป็นชุดๆแบบนี้ควรจะคิดถึงสิ่งที่ใช้มากาสิ่งไหนใช้มากเราก็ควรซื้อสิ่งนั้นมาถวายจะได้ประโยชน์มากกว่าจะได้บุญ ม, มากกว่าดีกว่าซื้อของ ที่เป็นซ้ำๆซัซกๆกแล้วก็ไม่ได้ใช้กันของที่เขาจัดไว้เป็นชุดๆดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ซ้ำซากกันผ้าก็เป็นผืนที่ห่มไม่ได้นุ่งไม่ได้เป็นเหมือนเอาเป็นเป็นผ้ามาเป็นผ้าเช็ดถูเสียมากกว่าเพราะต้องการประหยัดราคาถ้าผ้าผืนใหญ่ราคามันก็แพง เวลาขายสังคทานราคาแพงก็ขายไม่ออกคนขายจึงต้องพยายามหาวิธีลดต้นทุนด้วยการหาซื้อของที่ถูกๆของที่ร้อยคุณภาพมาใส่เอาไว้เพื่อจะได้ขายในราคาที่ถูกได้แต่เมื่อถอยไปถวายพระแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเขาใช้กันกองเป็นขยะอยู่ในวัน จึงเวลาจะถวายสังฆทานก็ขอให้พิจารณาใช้สติใช้ปัญญาหน่อยไม่ต้องไปไปตามขบวนเขาที่เขาจัดมาเป็นชุดเป็นกล่องเสียเงินโดยใช่เหตุกล่องต่างๆก็เต็มไปหมดถังต่างๆก็เต็มไปหมดถังส่วนใหญ่ก็เป็นถังใบเล็กใบน้อยจะดซักจีวงซักจีวอก็ใช้ซักไม่ได้ใส่ไม่ได้ พรถ้าเป็นถังใหญ่ราคามันก็แพงเขาก็ไม่ขายแบบนั้นกันแต่ถ้าเราอยากจะทําบุญเพื่อให้เกิดประโยชน์จริงๆของใช้ไม่สอยที่เราถวายพระแล้วให้เขาได้ใช้จริงๆเราก็น่าจะไปซื้อของของเราเองจะดีกว่าของที่เราใช้กันตามปกติส่วนใหญ่พระท่านก็ใช้กันเหมือนกันสบู่ยาซีฟันแปลงซีฟัน แปรงขัดห้องน้ำน้ายาขัดห้องน้ำของอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ถวายให้กับพระภิกษุได้ถวายแล้วจะเกิดประโยชน์มากกว่าเพราะท่านจะใช้ได้ส่วนของฉันก็ถวายของที่ท่านถวายฉันตอนบ่ายอย่าถวายเป็นพวกอาหารเพราะอาหารนี้พระท่านรับได้แต่เฉพาะในตอนเช้าเท่านั้นและควรจะเป็นอาหารสด ท่านจะได้ฉันได้แต่ถ้าจะไปถวายเวลาหลังจากเพนไปแล้วหลังจากเที่ยงไปแล้วควรจะถวายสิ่งที่ท่านถวายที่ท่านฉันได้ในตอนบ่ายเช่นพวกน้ําปานะน้ําผลไม้น้ําชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กว่าถ้าถวายนมอย่างนี้ท่านก็ฉันไม่ได้รับ แ, แล้วก็ต้องสละไปเพราะ เป็นยามวิกาลเป็นเวลาที่รับของหล่านี้ไม่ได้แต่เรื่องเหล่านี้ญาติโยมจะไม่ค่อยทราบกันและพระที่มาบวชที่หลังก็ไม่ค่อยทราบกันก็เลยทำอะไรกันไปตามตามภาษาตามธรรมเนียมถิดบ้างถูกบ้างได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างเพราะขาดการศึกษา ขาดการแนะนำบอกถึงเรื่องของพระวินัยของพระว่าเป็นอย่างไรพระวินัยของพระนี่มีความละเอียดมากกว่ากฎระเบียบของญาติโยมของต่างๆที่จะถวายพระนี้ท่านแบ่งไว้เป็นสามชนิดด้วยกันคือแบ่งเป็นไปตามอายุของของคือเมื่อรับประคิบของแล้วพระจะมี สิทธิ์ที่จะเก็บไว้ได้เป็นสามส่วนด้วยกันของที่ถวายตอนเช้าแล้วเก็บไว้ได้ถึงเพลงก็เป็นพวกอาหารทั้งหมดอาหารสดทั้งหลายที่ญาติโยมถวายมานี่พอรับประเคตแล้วต้องฉันหรือถ้าฉันไม่หมดก็จะต้องสลัไปไม่ให้เก็บเอาไว้หลังหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ส่วนอาหารหรือของประเภทที่สองของที่พระจะฉันได้ตอนบ่ายและเก็บไว้ได้เป็นเวลาเจดวันด้วยกันเรียกว่าเป็นพวกเพษัชพวกยาต่างๆพวกเพษัชที่พระเจ้าโรอนุญาตให้ฉันได้ในตอนบ่ายมีอยู่ห้าชนิดด้วยกันคือน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำ เนยข้นเนยใสแล้วก็น้ำมันนี่คือสิ่งที่เขามีกันในสมยัยในสมัยพระพุทธการสมัยนี้เราก็เราก็มีพวกน้ำตาลมีพวกน้ำผึ้งน้ำมันแล้วก็พวกเนยต่างๆของเหล่านี้ถ้าถวายแล้วพระก็จะเก็บไว้ได้ถึงเจ็ดวันถวายเวลาไหนก็ได้ ถวายตอนเช้าก็ได้ถวายตอนบ่ายก็ได้รับประเคนได้แล้วเก็บไว้ได้แล้วฉันไว้ได้และอาหารหรือสิ่งที่บริโภคอีกประเภทหนึ่งที่รับแล้วเก็บไว้ได้ตลอดเวลาถวายตอนไหนก็ได้คือยารักษาโรคต่างๆยาแก้ยาแก้ปวดยาแก้ไอยาแก้ไข้ยาอะไรต่างๆเหล่านี้ สามารถรับแล้วเก็บไว้ได้รวมถึงพวกสมุนไพรต่างๆสมุนไพรที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นยาแต่กระทางพระถือว่าเป็นยาก็มีเช่นพวกใบาชาพวกกาแฟอย่างนี้ถวายได้แล้วท่านก็เก็บไว้ฉันได้ตลอดเวลาไม่มีอายุนี่คือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพระวินัยที่พระ จะต้องปฏิบัติตามแต่บางทีก็อึดอัดใจที่ไม่สามารถบอกกับญาติโยมได้เพราะญาติโยมไม่ได้ถามถ้าญาติโยมถามก็พอที่จะเล่าให้ฟังได้ว่าสิ่งไหนควรจะถวายเวลาไหนสิ่งไหนไม่ควรจะถวายเวลาไหนเพราะว่าในสมัยพระพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้า ทรงเห็นปัญหาของอาหารต่างๆที่เก็บเอาไว้ถ้าเก็บเอาไว้ก็จะเป็นปัญหาได้เพราะว่าไม่มีการาไม่มีตู้เย็นหรือไม่มีหี่พ่อที่บรรจุไว้อย่างมิดชิดเหมือนในสมัยปัจจุบันเช่นอาหารในสมัยปัจจุบันที่เขาบรรจุไว้ในกระป๋องอย่างนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลา ย, ยาวนาน แต่ญาติโยบก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีควรจะถวายของเหล่านี้เพราะอาหารสดก็มีมากแล้วถวายอาหารพวกที่เก็บไว้ได้นานความจริงจะถวายก็ได้แต่ประเคนไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าเวลาประเคนหมายถึงให้พระรับกับมือแล้วท่านจะต้องใช้ให้หมดไปในวันนั้นก่อนเพนหรือไม่เช่นั้นก็จะต้องสละให้ผู้อื่นไป ถ้าเราอยากจะให้ท่านเก็บไว้ใช้นานๆเราก็ถวายโดยไม่ต้องให้ท่านรับกับมือคือวางไว้ข้างหน้าแล้วก็บอกว่าขอถวายให้ท่านเก็บไว้ใช้ต่อไปในวันข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ท่านรับกับมือแต่ญาติโยมบางคนเวลาถวายของให้กับพระก็อยากจะให้รับกับมือกลัวว่าถ้าไม่รับกับมือแล้วจะไม่ได้บุญ ซึ่งนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดในเมื่อเราได้ถวายแล้วด้วยวาจานำสินของมาวางไว้ต่อหน้าแล้วก็ได้หมุนเหมือนกับการให้ท่านรับไว้กับมือของท่านไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดถ้าละถ้าท่านรับกับมือแล้วท่านจะไม่ได้เก็บไว้ชั้นนานๆเท่านั้นเองตามเจตนารมที่ญาติโยมปรารถนาไว้ดังนั้น เราเป็นชาวพุทธเราจึงควรที่จะให้ความสนใจต่อเรื่องของการกินอยู่ของพระต่อกฎระเบียบของพระบ้างเวลามาวัดก็ไม่ควรที่จะมาเพื่อถวายของเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านไปควรจะมีเวลาสนทนากับพระบ้างถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบถามเรื่องราวเกี่ยวกับพระธรร ม, มวินัยบ้าง อยากจะรู้ว่าวิธีจะถวายของต่างๆนั้นถวายได้อย่างไรบ้างก็ลองคุยถามดูก็ได้หรือถ้าไม่มีโอกาสก็หาหนังสือธรรมะอ่านก็ได้หนังสือธรรมะก็จะมีที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะถ้าเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติวิธีที่ถูกต้องช่วยให้พระท่านจะไม่ กระทำผิดพระธรรมพระวินัยแล้วทำให้จิตใจของท่านนั้นสงบเย็นสบายไม่ตะขิดตะขวงใจ <c oughs> บางครั้ง <c oughs> บางคราว <c oughs> ก็ต้องทำไปตามตามตามศรัทธาของญาติโยมพราเวลาบางทีไม่รับของกับมือก็ไม่พอใจโกรธพระก็มีหาว่ารังเกียจหรืออย่างไรแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องของพระวินยัย ของบางอย่างหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี้รับไม่ได้เช่นพวกอาหารข้าวหวานต่างๆอย่างนี้รับไม่ได้แล้วถ้าจะให้รับก็ต้องถวายตอนก่อนก่อนเพลก่อนเที่ยงวันดังนั้นจึงใช้โอกาสในเรื่องของการถวายสังฆทานนี้ได้พูดได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของการถวายข้าวของต่างๆ ให้แก่พระนี้ให้ญาติโยมได้ทราบไว้บ้างโดยสังเกตเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและได้บุญได้กุศลได้ประโยชน์ตามที่ปรารถนาต่อไปจึงขอฝากเรื่องราวของการถวายสังฆทานนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ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 ด้วยอายุวันณัสุขะภะระโดยทั่วหน้ากันเธอ